เอาคนในถิ่นหรือผู้ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะ่ยก็เข้ามาเลยเพราะว่าเราต้องการพรังความพร้อมเพียงสามัคคีในสิทธญานุสิทธิทั้งหลายที่ไปมาหาสุรักเคารพเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่เพราะงานกระถินของเราก็อย่างที่เราได้ประกาศพระองค์โสมเจวุลี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 พี่น้องประชาชนทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งต่อหน้าด้วยทั้งรับหลังด้วยนะอกายกรรมก็เหมือนกันวจีกรรมก็เหมือนกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเห็นเข้าไปกาวว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันผิดแนะนําบอกกล่าวกันและกันแนะนําไปในทางที่ถูกต้องส่งเสริมกันไปในทางที่ถูกต้องพูดกันว่ากล่าวตักเตือนกันในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม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 อย่าใช้มานะคือแข็งคือความแข็งกระด้างนะถ้าใช้มานะคือความแข็งกระด้างนะ่ะมันเข้ากันไม่ได้แต่ทิฏฐิเนี่ยความเห็ุมันต้องมีมีการแย่งกันบ้างแต่ถ้าเมื่อแสดงความคิดเห็นหลายๆคนแล้วถึงตัวเองจะไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับไว้ก่อนอย่าไปดันทุลังไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวน่หมู่พวกเพื่อนเห็นต่างตัวเองเห็นอย่างน้นกด็ดันไปอย่างนั้น รถที่ถีมานะหยุดพูดซะเออเอาเอาเราไปพิจรารณามันกระจบเรื่องราวแต่มันดันทุลางอยู่อย่างนั้นนะ่ะเพอเพอนนั้นนะจะได้ต้องลงหมัดลงมวยกันนะแล้วว่าธรรมะหัวโนธรรมโอหัวแตกเออย<ม>คล้ายๆบอกความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะพระนั้นขอยให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีความพร้อมเพียงสมัคขี่